ก็เป็นมนุษย์ระดับหนึ่งเศรษฐีอรไรมุกเมื้อไม่ไหวนี่ธนาคารอรไยมุกเมื่อไม่ก่อไห่นี่การค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายอยากประกอบเลยเพราะเห็นว่าเป็นทางคิดฝันเป็นทางไม่เจริญอรไยมุกทุกประเภท พระโสดาวันก็ไม่เสียใจยอยากร่วงละเมิดเพราะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วว่ามันเป็นทางชิบหายดิ่งหน้าเดียวไม่มีสารอุดทนเลยสิ่งไหนที่ไม่เสียดายอย่างร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจก็ปฏิบัติง่ายสิ่งไหนที่เสียดายอย่างร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ต้องหนักใจทําไมจึงเสียดจร่วงละเมิดเพราะเห็นว่ามันจะนําความสุกมาให้บ้าง ก็เลยเสียดายอย่างรุนแรงมืดถ้าเห็นว่ามันนำแต่ทุกมาให้เวนมาให้ภัยมาให้มันก็เสียดายมันก็ไม่เสียดายอย่างรุนแรงมืดเช่นปานาทิปาตาเป็นข้อห้ามเวรมณีเวน้เวนแล้วในสิกขาบทข้อนี้ปสิกขาประทังสมาธิามิเวรมณีแปลว่าเว้นแล้วในเวนขอน้อนี้ไม่ได้ถูกไม่ไม่ได้สร้างเวนต่อไปอีกแล้ว มดแล้วปลดอาวุธแล้วว่าอย่างนั้นชิคาพระทางสมาธิยะเนี้ยเป็นชิคาบทหนึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ใจอธินาธานาเวรมาณีอันนี้เวรข้อ น, นี้ก่อนละแล้วปลดอาวุธ้นปลดอาวุธในทางเ ว, วรไผ่เลวจึงว่าเวรมาณีึกคาพระทางสมาธิาเป็นชิคาบทหนึ่งสิ้นห้าถ้าไม่่วงละเมิดก็มาเป็นเชือกคาดเกลียวอยู่ที่ดวงใจ เป็นศีนตัวเดียวเชื่อค่าเเดียวอยู่ที่ดวงใจสินแปดก็เหมือนกันสินสิบก็เหมือนกันสินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนกันไตรสิยขาก็เหมือนกันถ้ารู้แจ้งแทงตลอดก็มาเป็นแปดหมื่นสี่เพราะทำมาขันเกลียวอยู่ที่ดวงใจทําไมจึงไม่เสียใจอยาก ล, อล่องเรือทําไมจึงไม่เสียใจอยากล ง, ลงไปลุยหลุมฐานเพิง ก็พระเห็นว่ามันเป็นทางเดือดรอดมันเป็นทางไม่มุวยมอนไม่มีทางเจรินทำไมจึงไม่เสียดายอยากล่วงแล้วมเมอก็มีความหมายอันเดียวกันน้ำลายเทเวนทิ้งแล้วทำไมจึงไม่เอาคืนมาเพราะมันไม่มีประโยชน์สิ่งไหนที่เห็นชัดมันไม่มีประโยชน์ สิ่งนั้นก็คือดวงตาเห็นธรรมแล้วดวงตาดวงปัญญาเห็นธรรมรู้จักเหตุผลของธรรมส่วนนั้นนั้นธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกขันญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ นั่นคือดวงตาเห็นธรรมของพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วก็ได้ที่พึ่งอันกเกษมก็ได้มาหาทรัพย์ภายนอกทั้งพร้อมทั้งทรัพย์ภายในถ้ามีทรัพย์ภายในแล้วก็ทรัพย์ภายนอกก็เป็นเมืองขึ้นของทรัพย์ภายในไหลมาสู่เองเหมือนเข็มทิศไหลขึ้นที่ไปในทางทิศเหนือ เหมือนน้ำห้วยน้องคลองบึงบา ง, งต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลเทียบในทางลึกอันเที่ยวในทางสูงเป็นจริงอยู่อย่างนั้นคำไหนที่พระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยสอนทั้งคารวาปันธิโตคารมาวสังบันทิกเป็นผู้ครองลรืนก็คือพระโสดาบัเราดีๆนี่เองไม่ใช่อันอื่นเลยถ้าเราเห็นว่า ชินห้าเป็นยักษ์เป็นมารจะพาให้ชิบหายตายความอย่างนี้ก็เพราะเรายังไม่เห็นดวงตาเห็นธรรมเพราะเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะความเห็นของเรายังไม่ทันบริบูรณ์ในส ม, มาทิยังเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้สนิทเพราะมีกิเลสพยามาลมากีดขวางล่างสมองอยู่เพราะมันทบได้เหมือนเชือก มันบอกว่าใา่หันขวาหันข้างลังหันเป็นไวอยมันอยู่ถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมคือพระสวสวันนี้ไวไม่ได้เป็นหน่อยของโลกรวนรุ่นมีแต่จะเดินทางไปสู่ความเจริญเหมือนว่าพระจันทร์ในวันข้างขึ้นแต่ไม่กลับมาแรมอีกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นมดไต่ของกระด้งหรือเป็นภายเรือในเองีง ก็มีหลายบางทีบางทีก็ไปมนุษย์บ้างสวรรค์บ้างบางทีก็ไปสัตว์นรกเปสัตว์ชั้กายหรือสัตว์ตีนชานบ้างพูดถึงพระโสดาบันแล้วมีคติเป็นสองในมนุษย์ก็สวรรค์ตลอดถึงมรรคนิพพานเป็นลำดับขึ้นไปด้วยไม่ถอยหลังเลย จะเดินช้าหรือเร็วก็ไม่เยี้ยวซ้ายแลขวาไม่ถอยหลังอีกด้วยไปถึงความจรูญจนที่สุดถึงพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่แน่นนนผู้เป็นตุชชนคนหนาเวลาเราจะตายเรานึกถึงกุศลผลบุญที่เรามาสร้างไว้ก็ไปเสวือทางดีมีมนุษย์สวรรค์มีมนุษย์ได้สวรรค์เป็นต้นหรือพรหมโลกเป็นต้น นี่ในเวลาที่ไม่ระลึกถึงกุศลผลบุญของตนก็ไปสู่ทุกขติหมดอายุไขในทุกขติแล้วจึงมาหาสุขติที่ตนสร้างไว้ไม่แน่นอนส่วนพระโสวดาวันแน่นอนเลยจะสิ้นลมพานในเวลาไหนก็ไปทางจรูนรุดไปเลยเท่นั้น เราจรึงควรยินดีในพระพุทธศาสนาพระเป็นหุนเอกทายไว้ไม่ผิดแล้วอันไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีในถ้าวางพ่อกับแม่ พ, พุทธศาสนาสอนถ้าเนื้อเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลกระพืตอตนจะเป็นคนควรรับทรัพย์มรดก เมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทำบุอุทิศให้ท่านพระบรมศาสดาสอนลูกที่นี่ในระหว่างพ่อแม่ท่านลงทุนก่อนเราแล้วหนึ่งห้ามไม่ไปทำคมชั่วสองแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสีห่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ก็ห้ามอบทรัพย์ให้ใ น, ในสมัย ถ้มีทรัพย์อันใดพอที่จะแก่ายให้ท่านก็มอบไปแล้วถึงท่านมอบหรือไม่มอบก็ตามขาสองแขนสองหัวหนึ่งท่านมอบให้เราแล้วถ้าท่านไม่เรียงเราเราก็ต้องตายคุณของท่านเหมือนคุณพระอรหันต์คุณวิดามันดาพระบรมศาสดาทรงเคารพที่สุดทรงเคารพคุณวิดามันดา เกิดมาในภบใดชาติใดเราไม่เคยทิ้งวัณนาวีดาของเราเลยคุณวิดาบัรดาของเราก็ดีของท่านทั้งหลายก็ดีเทียบเหมือนคุณพระหันใครก้าวกายไม่ได้ไม่เจริญเป็นพระก็ไม่เจริญเป็นข้าราชการก็ไม่เจริญเป็นพ่อข้าพ่อขายก็ไม่เจริญเป็นคนทุกข์คนจนก็ไม่เจริญ พระบรมสารีราสอย่างนั้นชาติหนึ่งเราเป็นคนจนไม่มีอะไรเลยค่ะพืนขายเราก็ได้แบ่งไว้เป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งเราเอาทรัพย์ไปใส่นี้ให้บิดามันดาของเราส่วนที่หนึ่งอีกเราเอาไปให้หมูเห่า นยายาค่ายกงูเหา่าถ้าไม่ได้มันก็เหา่าฟอกส่วนหนึ่งเราเอาไปทิ้งใส่ทะเลหลวงคือใส่ฝาของเรามันไม่เตรียมง่ายส่วนหนึ่งอีกเราเอาไปใช่นี่ถ้าเป็นนี่องค์ท่านส่วนหนึ่งเราเอาไปฝากครังมหาสมบัติคือเอาไปบอริจารทานในพระพุทธศาสนา ชาตใดๆ ไ, ไม่ทิ้งเวลามันดาเลยทพูดอย่างนั้นชาติเป็นนกก็ไปหารวงข้าวที่ชาวนาทําตกลงมาให้มานดาพิดากินชาติเป็นลิงก็ได้ไปเอาผลไม้มาให้พิดามานดาริงชาติเป็นกระบือเป็นโคเป็นกระบือไปหาอาหารหญ้าที่ไหนมันรกเอนมากหญ้าที่ไหนมันงามแล้วก็กินวนเวียนอยู่ มาดาวีดาไปถึงแล้วเราก็ไปหากินวนเวียนอ้อมไว้ในที่อื่นอีกโคกระบือตัวอื่นเขาเขาเห็นเรากินโดยอย่างนั้นเขาก็ไม่กินด้วยเขาก็หากินที่อื่นเราก็กินวนเวียนไว้ชาติเป็นสุวรรณสามตาบอดก็จะเรี่ยงจนวันตาย ตลอดถึงศาสตรเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าก็ในประเทศเอมัมานดาของเราในชั้นดาวดึงจนถึงพระโสดาบันมารดาของเราจะได้เป็นมารดาของพระศรีอเมตเตอีกเพราะท่านปราฏณาามาอย่างนั้นส่วนบิดาของเราเราเทศให้เป็นพระหันเข้าสู่พ ร, พระ涅槃ไปซักพระ ท, ทุกโธทนะส่วนพระราหุล บุตรของเราเราก็เทศเอาจนถึงเป็นพระหานางพิมพาก็เหมือนกันนางประชาบดีโคตรมีก็เหมือนกันผู้ทาบุญคุณกับเราแล้วหรือผู้ใกล้ชิดเราไม่อากตันโยท่านผู้ใดเลยพระบรมศาลาคำสอนบริบูรณ์มากคำสอนในระหว่างผัวกับเมีย่็สอน ด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติล่วงใจสี่ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรุงภรรยาได้รับบำรุงชะนี้แล้วต้องสงขะสามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัด ก, การงานดีสงสงฆ์พระคนข้างเคียงขอบัวดี สามไม่ประพฤติร่วงใจผัวสี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาไดไว้ข้อห้าขยันไม่เกียดกลั้นในเกลียกรากยกราทางปวงสำหรับผัวครับเนี่ยสำหรับมิตรรักษาเม็รผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้วเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งทานักได้ไม่ละทิ้งในยามวิบัตินับถือตลอดถึงวงของเม็ดหนึ่ง สำหรับมิตรมิตรแค่สี่จำพวกมิตรมีอปการะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแค่ควรครบมิตรมีอการะมีลักษณะสี่หนึ่งป้องกันเพื่อนผู้ปรมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ปรมาทแล้วสามเมื่อมีภัยเอาเป็นที่ขึ่นพํานักได้ สี่มีนนลักษะช่วยออกครับกว่าเกินกว่าที่ออกปากสองเม็ดเริ่มสุขเร่วมทุกมีลักษณะสี่มีลักษณะสี่หนึ่งขยายความรับของตนแก่เพื่อนสองผิดคนรับของเพื่อนไม่แพร่กระายสามไม่ละทิง้งพยายามปฏบัติสี่เนื้ชีวิตก็อาจจะแทนได้สา ม, มิตรเนื้ประโยชน์มีลักษณะสี่หนึ่งห้าไม่กระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี สามอนุเคราะห์ด้วยนำใจอันงามสี่บอกทางสวนให้มิตรมีความรักใข้มีรักพระศีดึงทุกทุกก็ทุกด้วยสองสุขก็สุขด้วยสามโตเถียงคนที่เพื่อนติดสามโตเถียงคนที่พูดติเตือนเพื่อนสี่รับรองคนผู้สนเสริญเพื่อนมิตรสีจ้ำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรครบมิตรไม่ มิตปฏิรูปคือพิมิตคือคนเทียมมิตรสีจ่จพวกหนึ่งคนตอกล้อสองคนดีแต่พู้สามคนหอวระจกสี่คนชักชวนในทางขีดหายคนสีจ่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเทียมมิตรหนึ่งคนตอกล้อมีลักษณะสี่มืคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเียวสเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก สามเมื่อมีใครแก่ตัวจึงรับทําจิตของเพื่อนสี่กัเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวสองมึดร่วมสุกร่วมทุกเมยไม่ใช่คนพบป ร, ระสบมีลักษณะสี่จะทํามีก็ค่อยตามจะทําชั่วก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสนรเสรสิมรับหลังตั้งอินทาคนสักวนในทางขิบหายมีลักษณะสี่สักคนนึ่มันม่นเมาสักคนเที่ยก่อคืนชักวนได้มั่มเมในการเล่นชักวนเล่นการสนัน มิตรที่จําพวกนี้ไม่ใช่มิตเป็นแต่คนธรมิตรแต่วนคราที่ไหนพขาบรลมศราศาสราไม่สอนหม่มีเลยใช่ไหมพูด <c oughs> ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งผู้นั่นเป็นที่พึ่งอันกเกษมแล้วเทนี้ต่อไปนั่งคอยนานแล้วก็จะให้พอแล้วก็ละ <c oughs> <c oughs> ด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้ามันมีประมาณ แม้ประสงค์มีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาก็ดีย้งประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรธระพุทธศาสนาะของพระธรรมาธรรมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งนไปจนถึงที่สุดทุกเบีบ้ยทุกต้นหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทอญสัพโรคาเวนีมตโตแลพระสัญญาภวติโตสั พ, พเวนมามติกันโตนิพุโตเจต ว, วังภวสัพพิโยเยวัชนะสัพโรโควินัสและจมาเตภวตวัตนตรายโย โยกิกีชายโกโอโทอภิวาตนาสีที่สานิจังมุตาปกายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายวันสุขังค า, งาลังอะเรแบบนี้เนี่ยเขาก็ห้ามาให้พูดมากหลงมีอยู่เก้าข้อพระอนาคามีเป็นผู้เลิ่ ก, กว่าเขาสําคัญตัวว่าเลื่ด ก, กว่าเขาเป็นผู้เลื่ ก, กว่าเขาสาคัญตัววา่าเสมอเขาเป็นผู้เลื่ ก, กว่าเขาสําคัญตัวว่าเลื ก, กว่าเขาจะตามพ่อ เป็นผู้เสนอเขาสาคัญตัวว่าเลกว่เขาเป็นผู้เสนเขาสำคัญตัวว่าเฉงเขาเป็นผู้เสนเขาสำคัตัวเลยศกาเขาเป็น้เลเลิศกวาเขาําคัญตัวเลกาเขาเป็นผู้เเลกาเขาสคัญตัวว่าเฉลเขาเป็นผู้เลอกว่าเขาสำคัญตัวเลกาเขาคือมีสาคัญตัวอยู่ก็พ่อพระอนาคาส่วนพระหันใหม่เลยไม่สาคัญตัวอยู่ในอิทิยาบทใดๆทั้งสิ้น ไม่สําคัญตัวว่าเป็นคนรู้ไม่สําคัญตัวเป็นคนฉลาดไม่สําคัญตัวเป็นคนเร็วไม่สําคัญตัวเป็นคนสูงหรือไม่สูงเห็นเป็นสังขารล้วนๆเห็นเป็นธรรมมาล้วนๆเห็นเป็นธัรมะล้วนๆไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของเลยเหตุนั้นกลัวแพ้กลัวชนะจึงไม่มีนายท่านท่านจึงไม่เสียใจกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านพิจารณาแล้ว เพาะสิ่งทั้งหลายมีแต่ทำรวนร้วนฝ่ายสังขารธรรมก็เกิดดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ฝ่ายวิสังขารธรรมก็ไม่เกิดไม่ดับหาระหว่างไม่ได้ท่านก็อยู่ในระหว่างกลางกลางไม่ยึดธรรมอนนั้นเป็นเราเราเป็นอ น, นั้นไม่ได้ยึดอดีตเป็นเราเราเป็นอดีตไม่ยึดอนาคตเป็นเราเราเป็นอนาคตไม่ยึดถือปัจจุบันเป็นเราเราเป็นปัจจุบันเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกบานก็ไม่เข้าดนใจท่านกิเลสก็ไม่กระเทือนใจท่าน เหมือนแผ่นดินมันไม่สําคัญนะมันเป็นอะไรเหมือนนะ้ำมันก็ไม่สําคัญนาเป็นอะไรก็ออเอาไปรา่าอุจจาระมันก็ไม่บุญ <c oughs> ถ้าจิตใจใจของใครเป็นอย่างนั้นจึงจะเป็นภารันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะได้ว่าเกิดแก่เก็บตายอีก <c oughs> นั่นเป็นขอนสูงสูงไหอ <c oughs> แต่ถึงอย่างไรก็ถึงพระชนม์บาลแล้วก็ปิดอวัยวะภูมิพุทโธชโมสังโกพุทโธชโมสังโก ให้จิตใจถึงพระพุทธธรรมประสงค์หัวก็คือหัวใจภายในหัวใจภายนอกเป็นบุคราธิษฐานเนี่ยต่อหัวใจภายนอกก็คือเตือนใจภายในให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่เป็นมหาเสน่ห์ถึงพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองเป็นมหาเสน่ห์ทางใจเอ่ะไปฮะอืมอืม ก็เอาพระรพุทธระธรรมสงฆ์องฆ์ล็อกปู่มันไม่ดีหรอกไม่ดีเถ้าพระพุทธพระธรรมสงฆ์เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ที่นี่มันจริงไม่เสียไม่หายไปนะลเลยแล้วลึกได้ไม่ได้ก็ดีเพราะปู่ขาดจองขาดเอาไว้ที่จิตที่ใจนี้สามข้าวข้าสูขนิพพานจะเอาจิตเอาใจแล้วลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข อ, อน้อมส่ายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อมีประมาณเมื่อคนทุกข์ในวัาฏะองสารอยู่ทุกเมื่อเตือนอธิษฐานใน้ที่นี้ตั้งสัตว์ไว้ที่นี่ เห็นก็เห็นกันอยู่ที่นี่หายก็หายกันอยู่ที่นี่หาพระพุทธธรรมประสงค์ก็หาอยู่ที่นี่เห็นก็เห็นอยู่ที่นี่เพราะใจเป็นผู้หาเพราะใจเป็นผู้เห็นเห็นก็เห็นอยู่ในที่นี่ไม่เห็นก็ไม่เห็นอยู่ในที่นี่เพราะใจเป็นผู้เขารับนำถือพระพุทธศาสนาพุทโธธรโมสังโฆรวมกันลงอยู่ที่ดวงใจไม่เอาชื่อเลยยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาไม่ต้องเอาแขลงคอยหรอกเอาแขลงใจเลย ตกน้ำก็ไม่หายแต่เราเอาแขงคอไว้ก็บจำลืมลมั่นก็เป็นพ่อสอสองพันสี่ร้อยเก็บจะผ่านทหารเขาบวชอีกสามเดือนเขาออกบวชอีกหกเดือนเขาก็ได้มาเิียบนะเนาะเขามาเิียบแล้ว ขา้ขาวข้อราคาสอบของเก่าได้สมัยสั่งข้อราคาสอบของเก่าสบายไปสอบอีกได้เทียบโทษบ้านนี้แต่กอนได้เทียบเอกยงได้ซิกสองหอนด้เทียบเอกเทียบโทษนก็กมาาาาาั น, นมาศ า, าลคารวะได้แ้วบ้าดเนี่ยคัดเลือกทหารมาศาลคารวะอยู่ซิปซิปฝีคนเมีอตายจักไนีขึ้นมาบวชอีกเมีอตายขึ้นมาบวชก็ไปบวชทั้งวัดบ้านอีกตะกอนวัดบวชทั้งวัดบ้านอีก 2, สองพันศา เงี่ยนักเขมโทษต่อเงี่ยนักขมเอกต่อกสอบนักเข้มเอกแล้ว่ะแรวมาปฏิบัติบมาสั่งตัวนาสคกูนี่อยากไปปฏิบัติแล้วบาทนี่นั่นแล้วไฟปฏิบัติทั้งวัดบ้านกับพันไม่น้อยนะหัวมันโถ่สั่แล้วพุทธเจ้าว่าจะยืนยันว่าธรรมยุทธ์ือมหานิกายหรอกเป็นสาวลกของเรา สุปัันโอยยสามีทัพย์เนสาวกของเกินักูไปยัตีสมยุดเหตามันปฏิบัติงใช่ไหมสัน่นมันมีมุมไหมันมนมนม่นเขากเยนมายักตีกสองพันสี่แปดิแปดมันจ้าท่องบทจิวัดบ้านนั่นแหลเขาหาหาที่เอ็นีกับมัทจิวัดบ้านสองภาาดวุดรุ่นหี่เอดบชุดก้มันชี่ภาษบชุดุ่น มาทุสกสิ่งก็บงมาเขาได้ทุ่มาแต่วัดวานเลยล่ะเพื่อนเทศอนนะมันถื่อใจเท้วัดวานตะวังอันวัทานตะวังอันละวัฏฐานาโพมารีสาดูราเจ้ากูตนหาทุขมาไดา้ตะวันอันวายเจ้ากู่อยักตายในวันถวนเจ็ดนั่นแต่แล่ว่าจันมันถึงคิดถืกอใจสิดีเ <c oughs> ท่เท่เ ท, ท, ท, ทวบุตรนะ เข้าได้แค่หันวัดเนี่ยเข้าเกือบไปก็ปาหมดละเข้าทุ่นเขา้าเข้าได้มา่วัดบ้านมเเข้ามาวัดปาเข้ากับสบายขนาดเขากับวัน เ, เหี้ยนี้งอนเลเากับวันจะปฏิบัติอรุณวดัดในท้องละบากในท้องแต่นั่งสือปฏิบัติหมพ่อแมพี่น้ อ, นองเข้ดูทางวัดบ้านมืดเว้ยวัดบัานกว่าบา น, บน พุาบานพุทธานึาน่งคับแม่นวัดพ่อวัดแม่วัดพ่อตาแม่ง่ายเท่านะั้นถวายที่ไหนยั่งเงาเท่าเสมอวัดโ บ, บ, บ่านวัาพุทาเป็นวัดเก่าเลแล้วราชการที่สีุ่นที่สา ม, ม่ที่ทีไหมพี่น้องเข้าไปข้างวัดบ้านวัดนะเสมอแม้จะเท่าคนเดียวก็คุณคิดเท่านั้นกับทนายอังเงท่านั้น สมัยนั้นเขาไปวัดบ้านเมือน้นจะไปเอาขวานวัดบ้านมื่อคืนแม่กินอะกินเขาไม่วานเนรอแม่ห่อเนี่ยเมื่อได้ไปจังหันมือนึงหรืเมื่อไรเนี่ยคิดกันหลุดเมื่ได้ตักบาตรมือหนึ่งกับคิดกันหลุดะม่จะไม่จะประเด็กกันไปม่จะไม่จะแกวกันไปค่ถ้ามันไม่อะไรอาหารกองข้าวเพรยแม่ห่อไผ่ใบตอกเมื่อไรซ้ำตักบาตกับไผ่บบตอกเมื่อไรแม่หอบตรจักเห็นสติปัญญาแม่ ตายข้าพุทธโอ้ห้ไปสอนสองพันสิบหกแปดสิบหกเมื่อเทาตายเท่าเป็นผักนะฮนี่ตายอยู่เท่ากลับไปบอกไปเม่เ้พมานาพุทธโอ้แล้วสัญยังหูฟังพุทธโอยังไนผีเล้าแมื่อเอ้เนี่ยนึกหัวพุทโอ้พุทอตายค่าพ่อมานาพุทโอบุมยิ่อึมิอิเลยแม่เท่าคนเทาเจ้งมาในกระังให้งชียร์แบพี่ศพอ่ะอาจารยจังชียมี่ตงียกมีอักต้งีมีเม่เาไนมิดอ่อนซ่อนพอเท่ากับมิอ่อนซ่อน พอห้องซื sama, of, worry, ้อจานคูนพอา้องพเห็นพอห้องกินเราจักเทื่อจานมหาจารัดบั่ะอเห็นพอห้องกินเราจักเถื่อเข่ามากพอเห็นพอห้องจุนสะดุ้งจักเถื่อห้าเฝ้าอยู่มือพอห้องทตายห้องเป็นนุ่มนีงไง้ออ่อมกันอยู่มัดเท้าเราไม่ตะเกียงดวงเดียวตะเกียงโปะโป้มือี่ตะเกียงอันนั้นก็ไม่ตะเกียงอันท้องบวชแต่จะเป็นพระขึ้นวนเอะตะเกียงโปะ เกียงหิว น, น้ำมันกับควรถ่ะคว ร, คว ร, ร า, า, าร่ะาจะต่างจะเกีย่ยญาติว่ากลวนา้พ่อเจ้น้าเนี่ยลูกเลยวัันมานี้วัดสันเนจ้าหัวคาพ่อก็นอนแต่แช่นางหัวคอจพ่อวนาอะอ่าพ่อน่กับพวานาอาหัมพีขมิีงหแล้วมีความแก่ความแก้วความจ่ายเป็นธรรมดามัดขึ้นควาบ่เศร้าที่าย้อนกเศลขึ้แจ่ขอวัดของพอนี่ตื้นเขมาไวายยืนขนเขม่าื้นตีสามโหลดพ่อจะเป็นโยม ตื่นตีสามมาถไหวผาราสับสอบสอบสอสอบสอบสอบสอบสอบสอบส้บวับสอบสอบสอบสอคสอบสอบสอบาอบสอบสอบตอบสอบสอบสอบสอบสวบสอบสอบสอบสอบสอบสอสอบสมบสอบสอบสอบสอบสอบสอบสอสอบอบสอบสอบสอบสอบสอบสอบสออบสอบสอบสอบสออบบสอบสเบาออบอบสออบสองสอบสอบอบสอบสอบอสออบสออบสอบสออบสอบสอบสอบอบสอบสอบสอบสออบสอบสอบสอบออ โอ้ป ว, วดเนี่ยปวดซุดเน่ยปวดหน้าน ม, มึงเศ้ามากแม่นี่พอนอนตะแฉนขาขวเลยไม่อ่อนซ่อนตาเมืองเศ้าแล้วพอจะตายลยนึกจะว่าขวนเอาน้ามเอาหน้าย่ะพ่อกลิ่นเลยไม่สมาร์ทซีเรตโรคของห้องม่ดีเลยแหละจะไปกวนบานก่วนเมื่องข่วนผ้าบานพันเมื่องข่นเห็ดไม่สอดยุคคืนนี่เอารดวัวปีนังเลย น, นไม่ยุคคืนนี่อยู่เียนม่สเป็นเียน เป็นแค่โมาลานี่นแค่โมาลานหยั่นลบน้ำสีได้หย่นลบน้สีแต่ว่าหางเป็นปัน่นลมบบไงปันลมดักแอ็นผัวนีดัดอ็นปันลมแล้วปูใหม่กระเขานั่นเป็นแอ็นน่ะกะมุงกะมุ้งแผ่น่ะหลังไงแค้โมาลานคั่วให้ตั้งหาโอ้อะเลย เม็ดอ่อนซอนเพราะในย่ามอายุชิพหาปีพอผ้าต้มเกลือเนี่ยเขาขึ้นเนล่าขึ้นลาดเลยกับ้าต้มเกลือพ่อหาเกินท่างต้มเกลือต้มเกลือเช้นเท่าบ่อเกลืออายุหัวเขาขึ้นเหล่าขึ้นลาดแล้วกัขอเขาขึ้นเล่าขึ้นลาดเลยก็ฟันให้ซะก่อนขอให้ยุหัวน้าผู้เฒ่าหัวไงสามพูดตะ ก, ก่อนีจะกกี่ยวมันจะดีกว่างเด้ คนชิพหาปีอายุชิพาปีร่องพอเปลี่ยนได้พอหู่นสมองคือว่าคนซักคนซื้อแท้มาสั่นผู้ใดการรับถือหรือหาพอกู่ว่าในมีเงินทอผู้อื่นสมารับถือหรือหาแท้สั่นพอพอออกการคูนแม่แพงคนซักคนซือสั่นมันแมนเองว่าพอคูคือซักซื้อแท้ไรวะตัวตรงเกือพอพอห้าสิงโมตายงก็รอสั่น เอาขีดดินใช้ทำไปบบยังไมันใส่ชเกลือนี่ส่งกันด้วยกันตัวส่งกันทำใช้ทำกันเอาใส่อัดกรอหนึงน่งนี่วุ้งชักได้พอสิบสองกิโลใส่ตะกอกนึงส่งวุงชันเนี่ส่งชนะตัวร่องพอบางคำหรืพอพอผ้าเห็ดกระว่าที่เห็ดห้วยมันโมได้เลแล้วลูกก็แหวนผ่นพอผ้เห็ดเน้่ยเรื่องลูกมากมันกยขี่ขบรถเกี่ยวได้มาตันมันฉีบหายตัวลูกห้มันโมเจริญได้มาตังแล้วไปเห็ดเนี่เงนพอผ้าเห็ดตัวของอาชีพเห็ดดอกพอหุ่นซักซื้อดีดีเนี่าสั่น ทดสอบพอเป็นววเปีนเลยไม่พพวาเลยพ่อของเจ้าก็โตทดสอบเลยว่าโตัวที่เข้าใจว่ า, C ส, าสีเอ็กซ์แอนด์แอนด์นี่ดีวันเลสัยเฮามั่นมาเคลื่อผู้อื่นได้พีน่นลงเลยเห็นวัดเกา่าเราห่างเข้าไปอายุห้าปีนี่เพิ่นคือนจิตทองหนังสรรืออยู่หันเพิ่นคือนจิเทศมาที่อยู่นี่มันไปสังเกตเอ เพิ่นพวกไม่ออกก็คือจีรูนั่งไฟนี่เห็นดินอิดิตนคอนะเห็นถาดนเะพราะนึกทั้งสามน้ำตาพังเงาอะไรเนี่ยใส่ห่อเข้าไปเราให้หลวงปู่หมันร่างหลวงปู่หมันว่าเอาโอโจ้ไม่นยยี่ใส่ยูถึงแก่น่อยผมว่าสันตอนหลวงปู่หมันเนีเป็นลูกลาด้วเป็นลูกลาที่ยิ่งกระชาบแก้วเทวนซุ่มนั่นถ้า้าไปเอาผมเอาผัวแต่ะ ซุ้มย่าชิดานตายแต่อายุแค่แปดปีไม่ไม่ลูกแปดข้อนเท่าสิงก็เท่าชิดาเท่าชิดาอายุแค่แปดปีตายเป็นสาวเต็มที่แล้วเขาท่องท่องดีแล้วเทาวุ้นมีเท่าท่องดีไม่เป็นผู้ยบาลท่องดีนั่นเท่าสิงมันว่ากินยักเ็ดเรา ั<บ> <PTSD> นขู้งคีกูกินเป็นเนีเอาไมให้กูกูที่ห้ไม่กินมาั่นเราเขาดูเําหลังคันข้คีกูกินว่เปลี่ยนจะเอาไม้เอาสั่นเราบอกเาดูเขาหลังเขาทั้ดีนี่กียกับว่ากินเราเป็นพยาบาลมกินได้พยาบาลพากินไม่ได้ตายค้าพยาบาลนั่นะลูกเปนบ้าเป็นสาวฮเนี่ยยมาโยมาเนี่้าใจน้อยน้อยเอะฮะไนบอน้อยเนี่ยอายุหปีอายุี่ปีหปีไปหน้านําแม โอ้ไปหน้านําที่เอื้อยหา้านั่งเมื่อนพอพนว่าหน้าแถวนี่กูให้บักสิงแถวนี่กูให้บักท่องดีแถวนี่กูให้ว่าจะให้อิชิดาอิชิดะตายได้แล้วแล้วก็ให้อีบุนนี้แล้วก็แถวนี้ให้อีกันที่แถวนี้ให้อีแก้วแถวนี้ให้อีแหวนแถวนี้ให้บักลาสั่งหล่อระดั เราเอามือเขไปเอาไส่พี่นั่งพีนั่งหน้ากูโคโค่นั่ยใกล้ๆไว้สั่งหนังแต่หน้าไปหาโคโค่เนี่ยว่าไก่ปนไอ้เนี่ยไก่ไก่ว่าไก่เธอมันมันมันเพราะมันทงหลายมาะนักหน้ากูอยู่โคโค่ละั่งวัดบ้านไปเล่นในบ้านบ้านอ้อมวัดไว่ได้พระเจ้าพระสงฆ์คนทามดีคนยัง นิดใสเหลื่อมใสพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุววันวานเ่ยเนาะม่บ๊วประมาทวานวานพอไม่ห้เขาเขาจังไหนมาอยู่สี่ว่ามันจะขลาดมาอยู่สี่รุว่าแล้วพอเข้มซัตเข้มซื้อพีส้ายเขาตายถ้าเดาเผาพอเข้าดเผาพีส้าย ข้อเด้เผาเพราพ่าข้าเด้ยเผาเอือยมันเท่าเเดียเผาเล้วเขาจังไรมาบวชชีโกูงเธอได้เท่ากันคนพ่ไปได้ประเด้ดเเงเลยไปเอาเนี่ยไปเอาเานี่ยหางเนียมีมี่มันถหน้าเท่าก็บอได้หาค่อยเท่ากับอะไรซื้อเมื่อสามหลังได้รับมอกอุดรดขจจ คนมาไปเอาเมียผู้เขาหางเขาไม่เห็เขาคมเหงียนเลยสก็คมเหงแล้วขีดขานขึ้นขีดตายเนี่ยเท่าเขาเขาลกกาเนี่ผู้ราชีชีมัดเท่าเน่แปลกเสนยผลผู้เดียวเทาตัวเขาไปส่งเขาเท่าขาดน้าเลยเรเออเติรแล้วนักมัเห็นวายเท่าวายั่นจะเข้ากับหมหาโมเมียเราพ่อได้ย่ได้กินนะถึงว่าควรพระธรามสองมันต่พัดได้เท่าเรนเลสเท <c oughs> ่านเนีเรียนมัดกันบากหนึง่ง ดังแต่สมัยรัชกาลชื่อเก็บเนอวี่พอมย่ก <friendly> ูผ่าเหรียญทั้งาทนมันมาได้ไปซื้อบาตหนึ่งแค่นั้นห้เงาเรียญจักเถื่อไดลยเพ่อาวัดวัดเบื่องสักันส่ว่าบาคนบ่มันว่ามันนักเลงได้หนิว่ามันบุมี้ขาไ่ันเอกสมัยนั้นมันเลิกซักขาไร่นี่มันบุบีนี่ี่ขาไ่มุบีเลิกแล้วน่ไรูเดียวกับว่า เอ้ยเชียวว่าอาจามึงมาสักขะมึงมาสักแขนสาวสอาจารยเข้ากันุ่งเสือตกหนีสละกากะนุ่งผ้าสาลองสละกะนุ่งเสือเสื้อตกหนีสลาะแล้วับเขาหเห็นแข น, นได้ไรเนี่ยเขาก็มกักกันตัวอาัารยแต่ว่าเขามักว่ามักเพื่อนทางว่าเอาบักบักเพิงอ้อนเอะเขาว่าเตดากปัรถมึงมีเงินบอกอาารยพ่นะอาจารยกูก็ไม่ใชพอ่อย เดือดักคือเราเงินสามเสริมเงินพัฒน์วันนี้ซักไม้เพียรเชียวไอ้พัฒนมึงปูแล้วมึงมึงทั้งหลังมันแมนคุนยงเอาวัตเอารถมึงไงมาสักมือมาสักไม้เพียรผู้ชายใช่ไหมครับเชียวไอ้พัฒน์มันกับพกเชียวเขาคงยังน้อขังซักไปสักวัดเขาได้ระโบพัฒน์นะไม้เพียรผู้ชายราได้ซักมาสักแล้วพอให้แล้วฉันจะมันสักสกินที่แตกฉันบบตัวก็ซื้องินอยากอายเขา พวกคนกรุงเทพมากเลยได้ว่าเขาฟังเรือยอยู่ยันเขาเห็นว่าคนมาตาผาเสด็จปวดบ่อปฏิวัติสะดอกเขาได้ว่าเขาฟังเรื่อยยู่ว่นปวดว่าม้าบ่อสันว่าขนปวดนสะดมม้าสันวันมาต้องสูงยังสือเผ่าเยอะเนเท่าสมดีในมูเดยากระเ่าเสือเท่าสมดีว่ามันนักเลงรอมันคือคือจะือเป็นนักเลงเหรอสันได้วงาสันแขนรายททายมาสันมดฮีาสันเท่าสมดีมูเดยวกระเาในตะกียบมันจนนักเลงนักล่างยังดอกมาสัน ชาวสมเด็จเป็นมู้เดียวกันเนี่ยแต่าผู้ชาเกิดปสีสูห้องเกิดปีกุนผู้าสเด็จเนียไม่ได้สมเงินเขานี่เป็นคนเป็นคนมีเงินก็เฮ้าได้อยูขย่ข้างละวันเฮ้าหาเงินทางกปั้นเนี่ยผู้ชาขีข้ อ, ขอห่วหงเอาเินทั้งกระปัน้นผู้ชาวได้ได้ผู้ชามีเงินมีเงินหลายก็เฮ้าระบาเท่าช า, าสมเดเขาไม่ได้มีรอกเงินเพราะอยู่ได้กินอาศัยซอย ไปหางเพ็ดจังไรย่ส่วนนี้จาก พ, พระพุทธท่าประสงค์เนอหมอบการถวายสิเมตโต้พุพทธภาพประสงค์โดยตรงงานะอ่ะเขาหาใบห้าบุกปากปลายไ้ใส่ถ้ามาศาสตร์มือนี่ก็จะได้ดอจกจักราดข่วงงั บ, บ, บยู่สแมนอ่ะมือนี้สิได้อธิษฐ า, านพษาในสักหน่อยตีละครั้งมันทำอย่างาวาัเชออ่ะ เออใะ้พ่อหน้าขอพี่น้องเลยแล้วสุดยอพ่อคว่มเจริญมันคว่มเชื่อมคว่มเจริญไ่่ยกับพระหน่อยพระร้ายนะยกกับหัวใจเจรล่อวนสันเอะันันรอยปีมห้องประายรอกมโแปลว่ามักวาหรือแปลว่านอบหนอมแด่พระสมมาสะโพิเจ้าพระองค์ันเหลือนโมมักวาขแม่ มักครอบนกขืนนกพระพุทธเจ้าขืนกรพานพระพุทธเจ้าสกอรอารมณ์มาเนี่ยเดี๋ยวว่าพานคุณของพระพุทธเจ้าสกอร์ก็ไปกับ ม, ม, นะ ม, นะมหาเทสปมะเทนะประมะดีนะมหาแท้สันที่หนึ่งคือรรพรสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งร้ายอันฮะประมาณก็มีได้สันที่สอง คือพระนารหน์กาชี้หน <buat S 1> ้าศพทั้งหลายโอ้โมเมนต์สันที่สองคือพระปจเจกทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้มหาเทระสันที่สองมหาเทระสันที่สามคือพระนารหน์กาชี้หน้าศพทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ซึ่งเป็นภูมุ่งของสาวกมหาทร Three ัพมหาเทระสันที si ่สีคือพระอนาคามีอันหาประมาณไม่ได้อีกมหาเทระสันที่หาคือพระสักขะธาคามี มหาประมาณมัไม่ได้อีกพราะมีมากรเขาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พองค์จนับประมาณมาไหวมหาเทระสันที่หกก็คือพระสกัดทองหอดที่หาบตอนลัว่าเอกก็คือพระมหาเทระสกัดทาคาไม่ได้ทั้งหลายอันหาประมาณมันไม่ได้ซึ่งเป็นภุ่มของสาวกตอนระหว่าเอกกับพระมหาเทระ พระโสดาวันของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันหาประมาณ่าไม่ได้อีกนี่มันไผมาหาันมาหันไปยัระท่านระโม่ไผมาหันวะมาจัดไผ่วะเนี่ยเออไผ่มาคนได้เลือกเออเอานั่งหันละเออะพระเทพรัตน์คารดาวตานั่งหันละอ้ามหาเทญะทั้งหลายเรานี่เนี่ยมู่ห้าทั้งหลายนี่ยทั้ผิด่อกายกรรมสาวชีกรรมีมโนกรรมสม อันนี้อันนึงมาตรการพก่าสตรกรอนก็กดีหรือปัจจุบันนี้ก็ดีก็จะเป็นไปในทางมาดีเพราะห้พระมหาเทระทั้งหลายเรานันซึ่งเปลี่ยนพระมหาเทระโลกุตระมันมันโล ก, กีจงทร้องอางวัฏฏะและแก้โมหาทั้งหลายอย่าทุกเมื่อม่มีพมานพ้นุกทายโมหาทั้งหลายจงประสบเจ้าขุนสุขขุนเจริญยิ่งยิ่งกันไปจนถึงที่สุกทุกโดยชอบโดยดวนอยู่ทุกเมื่อบ่มีพม่มานขวาขาเทือนไดรว่าโมูหาทั้งหลาย ถ้าทั้สภาในโรกธาตเนี่ยพระมหาเทระซึ่งเป็นโลกีก็ดีซึ่งแก้อายุพรรษาอยู่ในปัจจุบันนี่ยก็ดีถ้าถึงอายุวันณะหรืออายุไขค ร, รกุศลวุฒโทษวายวุฒโทก็ดีเมื่อมือเทาทั้งหลายตา่ า, ตางไฟต่ า, ตางเนีทั้งพิษกันด้วยกายและคำสามวิจิคำซีมโนกำสามอันไรกอันหนึ่งก็ดีตา่างไฟต่างหาอโหิวที่ต่าแก้กันและกันทุกส่วนหนาย ท, ทุกเมลโมอมีประมาณ ตาตเท่าเขาสูพ้พระพาล ผ, าผลจากทุกในาวัตตาสงสารโดยด้วนอยู่ทุง่าบอมีอประมาณข็ขาเถินห้งชุมพี่งพิเมขามีสาว่าง เยวังโตเยวังโตโจัปปุเปะมัจจิตรวาทาโสนะปะมัสสติโซมังโลกังปปาเสติโหตัวจันติมาจาติกะปังกตะังกมังกุสเลนะป็นติโซมังโลกังปปาเสติภะมโตัวจันติวาอิวาทนสีนิจจานิจจังุฒาปัจจายโนจัตตารธรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังภะรังอรัเยว่าโดนร้ายผู้หมอบมันก็เต็มที่เลือดเลือดลงกา ไปวัวขาลายลายความโอรุณลายผู้หมาะกับปินที่มูเข้าเข่าพันษาตามท่าเนียมจันระยาของพระพุทธศาสนาพรสัมารถพุทธเจ้าที่ทร ง, งบรรยัติไว้บ่ห้เที่ยวเตรไปทุกทิกทุกท่าพราะเป็นฤดูฝนซึ่งศาสนาอื่นเขาก็บพัญยัิ ดูศาสนาพุทธเท่ากบรบัญญัติที่สองเขาห้อยหามีเหตุจักบศาสนาเขาพูดเท่าจังบรรญัติเป็นธรรงเนียมของพระพุทธเจ้าองค์กรถ้าหากเพิ่นจักบัญญัติกรทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นบัญญัติกรสิบผู้บวชมากผู้ชายผ่ายล้างกตัญละอาเมื่อมีผู้ทำผิดแล้วพรจังบัญญัติขึ้นหรือไม่เหตุที่มันไม่เหมาะสมเพิ่นจังบัญญัติขึ้นตามที่หลัง ห้องกำหนดอะไรในการจับประเทศอ๋อสำหรับคนนุม่มแต่เมื่อข้อกำหนดอะไรในการจับประเทศอ๋อไตมั ส, สามเดือนแล้วผู้จำพันสาครบไตมัด ส, สามเดือนมีอันนี้สองหาประการบ้องห้พันษาขาดที่ออกไปไม่ต้องบอกลาเก็บอัตเลตติวรนไว้ในตามปารนา กีวอันเกิดขึ้นในที่นั่เป็นของได้แกพ่อเธอขันคณะโพชนะออกชื่อโพชนะก็ได้ฉันปรามประลก็ได้อีกกีวอนันเกิดขึ้นในที่นั่นเป็นของได้แก่พกอนะ่อเธอแล้วก็ขยายเขตกีวอนออกไปอีกแ เ, เดือนทึ่สองขันในการกระถิ่นขยาย เียรติว่าเราไปถึงแค่เดือนซีโอ้ฉันปล้ำประพ่อชนะก็ได้เนี่ยปล้ำประกันเดียวกันนะครับนิมนต์ออกชูพ่อชนะฉันว่องฉันยังอะอยู่ที่นี่งานเท่ามันหมดอะไรสี่ไปเที่ยวสําหรับภูนุ่มสําหรับห้องพุเถ่ามันก็หนดเวลาสีไปเที่ยวเท่ากันแต่ส่องตัวโยกบอลกับพ่อเลยอ่ะ การไปเที่ยวทั้วันเนี่ยก็ไปเที่ยวตามส้ำหนักก็คือตะกรแต่กรอนมันระ้เอื้อต์วนไปเที่ยวสมอเนี่บวนไดนดีวันไปยู่งวัแล้วคันไปเที่ยวก็จะไปเที่ยวตามส้ำหนักส้ำหนักวันไหนวันถือก็จะริบนิดส์สครองหรือชีวิตวิวัเข้ากับไปยะไอ่มันไปเที่ยวเหรียญที่ซื้อการไเที่ยวนะ่เที่ยวพระเจ้าปฐมวัตคนทุกนาวตารทุกสารน่ะพระเจ้าวัต พระบรมพระบรมาศาสดาก็บอกว่าพี่ครูทั้งหลายเธอจะอยู่ก็ดีเธอจะไปก็ดีถ้าเราอยู่ที่นี้จะมีลาบมากเธอทั้งหลายอย่าไปนึกอย่างนั้นจะเป็นอาวัต ท, กก ท, ทุกอดทุกทุกอายาบททุกอดในส่วนนนี้แต่ส่วนอื่นๆก็เป็นเื่อการละกันเที่ววยวพิดนี่ทุกอดในส่วนนี้สแสดง ว, ว่าตกคนถ้าเราจะไปในทิศ ท, ท, ที่อื่นเราก็จะมีลาบมาก มีปัจจัยสี่กีวันวินท บ, บาทเสนาสนะอันเหมาะสมและผู้มีมีผู้นับถือลือดีไม่รู้สงายนึกอย่างนั้นแล้วอยากจับอยากอะไรไปเนื้อหัวอย่างถ้าไปแล้วก็เป็นอาบัติในส่วนนี้แสดงไม่ตกบต่อเมื่อกลับใจเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกส่วนอาบัตอื่นๆถ้าเราทําผิดมันก็เป็นอยู่ตามเดิม น, นี่เรียกว่าอาบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นถ้ามันผิดมารยาผิดเจตนา เธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามเธอจะไปที่ไหนก็ตามค่อยเธอตั้งใจปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ตามสติกําลังของเธอนั้นเถิดถ้าเธอพิจารณาอย่างนั้นแล้วอยู่ก็จงอยู่เถิดไม่ก็จงไปเถิดในอาวัตส่วนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าอาวัตส่วนอื่นเป็นอยู่จะเข้าไปเหตุผลกับพิจิตรุษเขาเขาไม่ได้อ ค, คอยนี่คนบ่คคลออมเอ า, าเนีย่ย แม่บันกูยอย่างนี้ไม่ผู้นับถือเรื่องดีกูจะไปบันอื่นว่าะมีหลากพรามีโยีิยังมีโยตกับว่ามียต์กับว่าปากฏมีหล่บบาวกับว่า ร, ร, ร, รื่องซาันนึกชั่งสันไปไลนวัดทุกกฎเนี่ะสมาธิสมาบัติคำว่าใจเรื่องข้อพ้นทุก น, นวัตตาท่องสารคำว่ามอโ ม, อมอสมดุลกันตอนพิจิตนาดตอนแสดงเห็นว่า บวชมาเพื่อปัจจัยฉีถ้าไม่บวชมาเพื่อป awesome> ัจจัยฉีแล้วภาวนาไม่ลําบากถ้าบวชมาเพื่อลาบเพื่อยศเพื่อสรรเสริญหรือเพื่ออะไรต่ออะไรในวัตถุนิยมแล้วก็ภาวนายากพุทโธก็เป็นพุทโธโลกีปากของเราว่าพุทโธแต่พุทโธแทบไม่ใช่โลกีปากของเรานเป็นโลกีเจตนาของเราเป็นโลกีเจตนาไม่ใช่โลกุตระเจตนา ภาวนานดีวัดนอบมาใช้เพื่อผลทุกผลกนโมทุกยาผลนอบนอมเพื่อพ่มาเกิดแก่เก็บจ่ายในวัดเจาท่องสารเป็นนมโมลุกุรรรตระละโลกุตตะละนโมเล็กนโมผานโมวัดนมโมเบือเป็นพระนโมโลกีเนเรียบพระผาวัาวัดเบือย่าสภากันภัยเหตุมันเสียอิทธิพลโมเฮามันเป็นมิจฉาอาชีวะโมูเฮามันเป็นมิจฉาสิทธิเห็นผิด เมื่อเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วกัเป็นมิจฉาสั้นทั้งก็โปรดําริพิษแล้วมิจฉาว่าจาว่าจ่าพิษเพราะว่าจ่ามุ่งไปทั้งนั้นเป็นมิจฉากัะมั้นโตการงานกระพิษเพราะการงานกรไดึ้งไปทั้งนั้นในการงากระดิ่งของใจมิจฉาอาชีวะอย่างชีวิตพิษมิจฉาว่าญาม่อมคว่ำพยาญาตของเขาก็เลยของเขาก็าเลยไปทา้งนั้นมิจฉาสติตคว่ำในลึกของเขาเขาเลยไปทั้งนั้นมิจฉาสมาธิก็ตั้งคิดไร้เพวทที่ไปทั้งนั้น มันผิษเมตชาสติก็เลยลึกไปท่านนั้นมมตชาสมาธิก็ตั้งคิดิษไปท่านนั้นแปลว่าภาวานาเพื่อหาเนีขาพาหาวัดหาเบอร์มเจริญสู่เขารักค่าชี้นาว่าไรเมื่นไฟรมีใน้คันท้าสันดาหิบเล่งถิมปึ้งโรดว่าไรว่าถิมจดเจริญสมาธิสมาวัตรกับมเจริญเทวุเ ท, ว ด, เทวดา จำพกโลกุตระเทวุฒิเทวดาผักโลกุตระกับว่าบูทรงเสริมแทววุฒิเทวาผักโลกุตระนับแต่เทวัตวุฒเทวดาที่เป็นพระทวาบันขึ้นไปเทวดาในสวรรค์ก็ดีเทวดาในมนุษย์ดีเพราะเทพมีสามสมุติเทพเทวดาโดยสมุติอุปพุทเทพเทวดาโดยกำหนด นิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์เทพสามในพระพุทธศาสนาบัญญัติเทวนาสมุทริเทพคู่บาอาจารย์และท่านพุ่งเน่คุณรุปคุณพอคุณเมยคุณพระมหากษระชับคุณบุคคลผู้ท่อคุณแหเกเฮ้าเหนือกว่าสมุทริเทพอูปฏิเทพเทวดาโดยกำเนิด ทเทวดายกฮกกใหม่็ดีในอาการกลาอองหาวในตอกหวยข้าวเขา็ดีเทวดาที่ทนัมอากากลางหาวคดีอาการ ท, ทัาจะพวกมัทาเทวานาข้าวมงิติกาท่พิทุมเฮนุยกันตุอารมไปเรอเรยนั่คนคอาจารย์นี่นวิปสิทธิ์เรียกว่าเทวดาเดยก็เนิดเทวดาเกิดขึ้นในสวรรค์ หรือเกิดคือน่นตนไม่พูกเขาก็ดีลูกค้าเทวดาก็ดีผู้มาเทวดาก็ดีเทวดานี่ไม่ร้ายไปไหนนับประมาณว่ไหนโอติสะตะสาสเเสสุจักกาวานนีทุเทวดายัตาิย่ำนั่ปฏิกรรันหันติยัญเวสาริยปุเรโลก้ามนุษย์สถุนร้อยโกฏิจักกวาลเปเทวาดาเขาน่อยเแสนโกฏจักาวานก็นมี มื่นโลกรธาตุเไม่หาประมาณ ม, ม่อที่มาฟ่อพระองค์เกา้าห้ได้เวลาพระองค์เจห้องพปในพ้าเนี่มั น, มนแสนโกรดจักรวาลหรือมือนไตโลกธาตุถงว้องเขาเรื่ปซาว่ามันขอ ง, ของนหนอยๆเลยไดเมื่อเสา้าได้เมื่อกุชินาล่านะหามันโยกเไม่ทอเม็ดไส่หาวันโยกเขาไม่สั่งมายัดห ย, ด, ยดกันวัดเดียวเทวดาโดยกำเนิน ทวดาโดยบริสุทธิ์ก็คือพระอรหันต์หรือพระสวัสดิบาลหมนไปพระสวัสดิบาลนบริสุทธิ์เอกเทศเนี่ยอวัยวะมันปิดมันปิดผู้ของพระสวัสดิบาลเนี่ยอวัยวะงานน้เราเอาประเทศกับวัตถุค um, ือกันปิดมันเป็นมนุษย์ม่บัดิขั้นเป็นมนุษย์วิรือก็เป็นมนุษย์เป็นสวรรค์วิบัดเป็นพรไม่วัติเป็นทิพานบัตคือกันถือมนุษย์วิบัติกบถือมนุษย์ ถึงว่านกสมบัติถึงสวรรค์สมบัติถึงพุ่มสมัติถึงนิพพานสมบัติคือกันคนทั้งหลายพวกองค์จารอันตรายมากเลยอาบายมุกโลกทั้งหลายมันวางอบอายยมุกมันกำลังวางเส้ห น, น, านหนายอีกคือกันพระเนี่ยนะมันโยกล้อันตรายอีกซ้าเลยเข้ามาทำน่ายท่ายทับมันเป็นอวดอุตตริมนุสธรรมอีกซึ่งเป็น ทำมันยิ่งของมนุษย์อีกว่า น, นันเลยออกว่า น, นีออก็ปอีกออกเรานั่นหนึ่งออกก็นี่พระพุทธเจ้าพระอง่์ทรงเสริมไกล่อุตตริมนุษยธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ภิกษุพู้อวดอุตตริมนุษยธรรมคือทำมันยิ่งของมนุษย์ไมป่ปานณชิอีกือด้วยว่ามันไก่ไหน ย, ยูมอตัวเัียวกันซ้ำอีกซ้ำละบอก พระทหารนี่ยังจะไปบอกคนว่นเเเเาเหรีเหรียเหราเหรีว่าเรียวอร์พิจารมแล้วพระสวัดบาจะพระธาตุะ้ามีหหน้าขาา้ามีห้าท่าิป้หายตัวมันก็เป็นพุทธอาหารเนี่ยเรื่อยๆพระผ้าบ้านบ้าบ่เบื่กระทัไปส่องเสริมก็เป็นพุทธประหารยูย่องคงกระพันเนหมือกั น, นย่อไปฮัทร้าเจาเ่าังสั่นคงดังสี่อย่อไปฮัดข้เจาะมิซาเสน่ห์มิซราหงษ์อดมิซ่าทำหน้าท่ายทักโบมีอะไรมาพุท ธ, ทท ธ, ทธทาศาสนา เป็นปาปะเป็นอเนสนาหายาชีวิตไม่สมคูรอเนสนาแปลว่าหาอยากชีวิตวว่ไม่สมควรให้เข้านักตั้งภาวาน่าเพื่อเอาผลสุข น, นมาตาสงสารนี่ยก็บ่นว่าบอก ป, ปัตนาพัดใจซีงการงานเพงเข้ามีน่อยเจตนาเข้าก็บมีหน่อยรู้เข้าไปยั้งจงังหวะปัตนาพัดใจซีขี่ว่ามีท่สบาทเาสียน้าท่าแลเพศา อันจจัยสี่กันทัาประพฤติดีมันต่างเป็นว่าเองมันเป็นของเยื่างผู้อื่นว่ามันของเฮ้าคือคูหนึ่งมาถามเฮ้าคนกรุงเทพท่านในการบวชมาเพื่อปัจจัยสีหรือไม่เฮ้าก็ตอบปัจจัยสี่มันอยู่กับคนอื่นแม้ถึงเราจะปรารถนาจากเพียงไหนเขาไม่ให้วันก็ไม่ได้ ถ้าเข า, เ, ขาเราไม่ปาฏนาถ้าเขาใ ห, ให้มาโดยเป็นธรรมเราก็ต้องเอาถ้าเราไม่ปาฏถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งของเขาูให้ระวั ง, งถ้าเขาให้มาในทางทําในธรรมที่ไม่ถ้าถ้าในทางทำที่ชอบเราก็เอาถ้าให้มาในทางที่ไม่ชอบเราก็ไม่เอาก็มีข้อเกียรตอยู่แล้ววัจจัยสี่จีวเป็นที่บาปเสนาสนะได้เภสัช มันอยู่ใต้อำนาจอานิจังวัตถุนิยมที่ได้มาโดยทางที่ชอบมันก็อยู่ใต้อำนาจอานิจังเกิดขึ้นแค่ก็แปรเปลี่นยนและแตกสลายแม้ปัจจัยภายในของตัวเราที่ว่าเป็นสมบัติของตัวเรามันก็อยู่ใต้อำนาจอานิจังเหมือนกันขึ้นตาหูจมูกเลี้ยงกายกาก็อยู่ใต้อำนาจอานิจังเหมือนกันก็เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนและแตกสลายเหมือนกันได้พระบรมศาสนาสอนให้ปฏิบัติเพื่อคนทุกนายวัฏสักสงสารถ้าคนทุกนายวัฏจัสงสารแล้วใจก็มาไล้เอาไปด้วยเพราะกลายเป็นพระญี่ปุนไปเสียแล้ว ร่ายเถอไร่เขียนมื่ออยู่อยู่อันนี้บสิมึงสามารถถามกูแท้ว่าวะั่นกูมีคาบางสี่รวะวะสั่นนะกูโมโหขึ้นได้กูกระวนกระวนมึงมาถามบางสี่เกิดปฏิภาณกันเมื่อไงเเว้ยถามพระเนี่ยเด็กหน่อยได้ก็ะมวลหรอกเว้ยมาถามพระผู้ปฏิบัติดนโดนนั่นสิว่ามือนมาเพื่อพระใจสีไหมระบายสั่นหัวมันจับหูยู่งอร่อยเขาตากับไงเราเหร ไม่คิดว่าพดีได้มัดดีๆนะคือตีขึ้นระหว่างนี้โยกไปโย่ไปอรมั่นอะไสั้นหัวเห็นสั่นชี้สาวไปบานพระคือกันโยกคือกันเขามาในทิศทั้งทีเนี่ย เขายังไปเสื้อใจคนง่ายนี้ไผรมาจะใช้ไไวาจเขาสืบเรื่องใช้ตู่พวกเรนนี้ซําไหนวาดีเขามายสั่งอย่างนี้เลผู้จึนึงกับมหาเรียกมหาผู้จึนึงกับว่ า, า, า, า, วาลองบงพระอย่มันจิซําไหนพรกินพราะธาตน้าบอ่อมันพรกินพราาตน้ากูปฏิจิณิตธาตุ่ันเพราะกินพราาตนํากูปฏิถอยอ่ามันหลายสิทธิ์ไปเชื่อคนรอดเรืองที่เขาไปหายิ่งนอกเขาก็ยังข้านไป ต้องอเข้าไปยู่พูดนึงผู้เดียวเท่านันเห็นแล้วบ้างไหมันดีเข้าไปยู่พูดนึงผู้เดียวเข้าไปออกไมเลกไปเขาเห็นอยู่พูดนึงผู้เดียวมันมีคนหลายจังพวกได้ข่าวา่าหาคือที่บอกเลขคักวิ่งี่มาไปจากหาวพาดำดเพราะว่ามามันข่าว่าข่านเข่าว่าข่านเข่าวว่าทำไมแช่มหาเลขผู้มหาเลขมหาสองแนวเนี่ยขั้นให้ก็เอาขั้นว่าให้ก็เอาขั้นให้คอยค่อยไปซื้อคือขอจ่ายค่าแนนเจ้า คอยไปซื้อวัตถุอคอยกว่าเจ้าหากินท่ามวสอบคือสังหารแม่นคอยจิถือคุกงวดก็ตามคอยกัดมูจักกี้เดชเจ้าคีกระตือเจ้ายู้เจ้าหากินท่ามวสอบมันเป็นได้แค่นี้นเดียวเนี่ยขนไดใกรเอาคัดว่าใครเขา่เอาอะไรเนีอันพูจอย่างนึ่งว่ามูจักกี้อย่งนี้อย่างนีง้ตั้งไปหาเจนเหตุเจนเหตุก็ไม่ผูดอย่นึงไปไปสังเกตเหารอไม่ยกผู้เดียวสิหนีออกจากมูจับเพื่อนมาเพราะเหตุใด ทะเกะมกะเพื่อนบอกมาหารีอยู่กินเจตุลเจตโต ต, ตามเอาเพื่อใจโตบอกผู้จังสีก็มเนีเขาเข า, เขาพี่หน้าไรระว่งางครับมันดีเห็นมื่เกิจะน้าเขาเปลี่นนักสั่นมันก็ไ่ได้ระว่างยากรอกมันเพลิจะน้าเขาเป็น น, นันงงนนนนสัน่นหิบถอนไม่สั่นหรอกอืออู้จะนึงพราวะ่ามาลี่มานอนเว้นบอกรี่มาเฮ็ดตามอาเพื่อใจบอกอยา ก, กินเขาแร่งสลัดกินสั่นบอกหรือจังหนหรืออยากมาคุยแส่คุยสาวบอก ๋ยวมากประพฤตินอกรียนอกร้อยบะมันมีหอยอันพันแนยแล้วเขามาหาสังเกตสรคนเขามาหาเฮ้าเข้าที่ว่าเขางงงอะไรที่เขาสูงกว่าเฮาเขาไมไอ้ว่าเขาสันว่าเป็นเรื่องรักษาโรคภาวะฉะใช่ไหมครับขมาประพฤติเพื่อพ้นทุกนิวาตตาท่องศาลนเฮากับอะรรักษายาแต่เฮ้าเพื่อประพฤติพ้นทุกนิวัตตาท่องศาลนะ มันวามันอั น, นหนึ่งกัอันนึงแล้วมันกัแวกแปรถงนอกเาสั่ว่านายบอกาสัา่งเอารถถามไปมันก็ บ, บ่ฟังล่ะมันเจตนาพ่เป็นะจ๊ไม่กับแปรออกอยี่สําเก้าเหลอแวรผู้อื่นเขเห็นจะขอเขาเห็นยู่สําเก้าเหรอายบกเลยยิบไว้สู้เท่าที่สู้เท่าที่เรีย น, น, น, น, ย น, นยไว้วจะขันตาเลยจ๊ะเอ้ เขาขายในบ้านน่ยขึ้นใช่ได้หล่ะโอ้ยมีผู้สิมาซื้อในแบ้านมีผู้ชิมาซื้อหน้ามรติว่าเอ้ยกูว่าสิสีกูจิขายไปยังมิว่า้ว่าเเนี่ยนี่ก็ไม่มียังนักแน่ฮะผู้ใดผ้าวาน้าไหนก็ะเลงเขาข้าวผาวาน้าเนี่ข้าเขาพันสามาแล้วนะข้าวจีาวาน้าขนาดยามแรงอยอะมากขาดทุนเฮ้ยมอาสั่น ว่ามันเท่าสิจำภษาเอาพรษาไปอวบกนัสิว่าพรษาสีน่อยสีร้า ย, ายมันไหนก็ทอย่าบกมันสำคัญลำบนปฏิบัต <cái S 2> ิศีลธรรมเอาไวกับว่าหุ now, Weird, ่จักทอเทาอกสีคา่ไอ้ไฟสีมาหู่จักรทอเท่าเับมนเท่าจักก้อนมมันไอไฟสหุจักรทอเทาหเ่าหจักก่อนโมเพราะประพฤติหนอกเล็ดนอกร้อยกขา็ไสม้าหุ่จักทอเทาหรอเ่หุจักกอนโมนั้นทิศทิกผู้ปฏิบพตยอมเห็นเอง สันทิโกูในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่เอาพระโสัาบรรเป็นต้นไปทำไมอ่อนกวาน่ามอ่นลงมากกับควานเสื่อมากเขาบอกว่ให้เข้าว่าหลายเลยให้มู่ห่อตั้งใจปฏิบัติตามทฤษฎีกําลังของมู่ห่อแล้วกรรมฐานเน่ยมันไม่สองกรรมฐานเพลงรูปเป็นอารมณ์เพลงวัตถุเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปกรรมฐานถ้าตายฆ่าหา อางสูงก็ไปเกิดพุทธมรรเพ่งอารูุปเป็นอารมณ์ก็เพ่งกิจเป็นอารมณ์หรือเพ่งเรศนาสัญญาสังขารเป็นยานเป็นอารมณ์มามันบพมาณวเทียงตายข้าฮันก็ไปอารูุปประพุมขันันว่านพลเขาั่พลดก็ไปพระสวัสดิวันรั้งข้าขามีอะไรครับมีอะไรไปตามลำดับของเฮาตามภูมิทัพของเฮาพระสวัสดิวันท่านประตูบางต้นของพุทาจันทร์มวาโนมมวะพระ ว่าเชื้อหนาอยากลองระเมิดสินหาว่าเชื้าหอยากเรียนอบายยมูทุกประเภทว่าเชื้อหนาอยากจะถืออยู่ย่งคงกับพันว่าเชื้อหนาอยากถือเลิกดียามดีว่าเชื้อหนาอยากจะจองเว้นทันผู้ใดโกรธยุ่ววถึงกับจองเว้นควาโกรธนั่นว่าถึงกับจองเว้นโลภยุ่มโลภก็ว่าถึงกับไปนรกคานั้นผู้ที่ใส่กันคานั้นฆราวาสกับโลกกับโลก เอาของจะของกันโอ้บอกของจะของคงือยังเห็ดไทยเห็ดหน้าของจะของอพ่กแห่ผู้กไหนว่าสอบพวกโก่งพวกไหนอารมณ์มันของเฮาไม่ใช่ซ้ำไหนก็ยินดีซ้ำนั่นไม่ได้สอบไม่โก่งอาไปเพราะมันอยู่ในลักษณเส้นท่าเส้นหาเลยว่กะกาแม่สุเมชาจานค่ะแม่ย่างแม่กามาโ่โยกับยินดีเจ้ผัวจะของยินดีเจาานาน้าแม่จะของขนาดว่าวาง่าชีพรองระเบิดทัวเขาม่จะของ ส่วนพระเน้นนะครับคือการเพรานั้นพระเน้นมันก็ถึงพระสวัสดิวุคนที่มันสียนสงอยย่สิบเกบสิุมาั่งวนเดว่กชดายอากลงลงเมืดยุนเน่ยุ่งมากมันก็เชิดายลลอ ย, นน ย, ยมาม ก, ยายกตบยุนเ น, น, กก <laughs> น, น่มึงถนาค่ะกูว่าคาเสีนเพราะว่านั่นมึงธนาคะกูว่าคาสีนกูจะเอามึงพอแม่ขนากบินเขาหูมน มิฉะนั้นกูพก้าสินกูจกมึงตายแล้วนี่นะเพราะว่านี่้วยังว่าเนขันเสียดายยาขาดซัอยู่ว่าง่า